อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันตามสัญญาแล้วนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอ า, อาทิตย์ที่2กันยายนพุทธศักราช2555ค่ะวันนี้ก็หลังจากวันพระใหญ่ขึ้น15คห้าแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้ก็เป็นแรม1น่งค่ำเดือน9นะคะปีมรงค์ค่ะเช้าวันนี้ก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมาสากาักกาหรือสนทนาธรรมะกับท่านาพระอาจารย์ภพบูรณภิพุโณพระอาจารย์องค์ ปาถกประจํารายการธรรมารัปรุณของเรานะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการสักกาค่ะพระอาจารย์พบูลอภิปุโนนั้นท่านเป็นผู้มุ่งในการหลักสูตรอิริกเกรนปฏิบัติธรรมริกเกรนตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัามพุทธเจ้านะคะซึ่งก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านตั้งจิตแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าหลักสูตรนั้นเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่หนึ่งกันยายนนะคะก็คงจะไปสิ้นสุดกันในวันเสราร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้คือ889วันที่8ก็าง ลาสิกขาอะไรต่างๆแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ค่ะว่าทางวัดป่าดอนหโศกที่ตาบลดอนไหโศกอํเาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั้นมีหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์ไบพบรุณอภิปุโนท่านเป็นผู้มุ่งในการหลักสูตรที่ปฏิบัติกันอย่างเคร่งจริงๆแล้วก็ปิดวาจานะคะถ้าหากว่าท่านอยากจ ะ, ะได้มีโอกาสที่จะไปลองสัมผัสแล้วก็ลองศึกษา ไปปฏิบัติที่นั่นก็จะเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะคะก็เรียนเชิญค่ ะ, ะเข้าไปในเว็บไซต์ของทังวัดได้เพื่อที่จ ะ, ะรับทราบว่าในแต่ละเดือนนั้นจะมีการปฏิบัติวิกฤตเมื่อไหร่อย่างไรนะคะค่ะข อ, อนาท่านผู้ฟังมากราบน้ำสกรารพระอาจารย์ไพบูุญอภิบุโ น, โนกันเลยนะคะกราบน้ำสกรารเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขะเต็มพานขาทูเจ้าค่ ะ, ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะตอบปัญหาเหมือนเคยนะเจ้าค่ะเต็มพาน เจ้าค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ได้เขียนถามเข้ามาทางเว็บไซต์ของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะจากคุณพรพันพ์ก็เจ้าค่ะได้เขียนถามมาสองข้อยมก็อยากจะขอถามไปทีละข้อเลยนะเจ้าค่ะข้อแรกบอกสําหรับศีลห้าแค่คิดจะทําผิดแต่ยังไม่ได้ทําแบบนี้บาปหรือเปล่าค่ะก็ขออนิโมนเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะศีลห้าอย่างเช่นว่า ข้อโกหกอย่างเงี้ยเอาง่ายๆข้อโกหกนี่รู้สึกมันง่ายเหลือเกินเราคิดว่าแม่โทรมาหรือว่าสามีโทรมาหรือว่าภรรยาโทรมาหรือพ่อแม่โทรมาโอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่อย่างเช่นที่อ่โคจรอย่างเที่ยวกับกินข้าวกับเพื่อนอยู่เที่ยวกับเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยโอแม่โทรมาที่เราจะบอกแม่เราอยู่ไหนดีเนาะคิดอยู่อย่างนี้นะเราโกหกไปล้กันว่าเรายังอยู่ที่ทํางานอยู่เรายังอยู่โรงเรียนอยู่เรายังทํากันบ้านอยู่แต่จริงมาเที่ยวนะ คิดว่าจะโกหกละคิดว่าจะโกหกละเอารับสายขึ้นมาปุ๊บโอ้เสียงฟอได้ยินเสียงแม่หรือเสียงคนฝ่ายนูน้นเขาพูดขึ้นมาปุ๊บโดยวาจาที่อ่อนหวานด้วยวาจาที่เป็นห่วงเป็นใยด้วยวาจาที่มีความรักความเมตตาฟังแล้วมันชื่นใจเราก็เลยคิไม่โกหกแล้วกันบอกความจริงนะว่าฉัน <c oughs> กำลังเที่ยวเล่นอยู่เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ตอนก่อนที่เราจะรับสายกับตอนที่รับสายขึ้นมาแล้วพูดความจริงเนี่ยจิตสองขณะเนี้ยไม่เหมือนกันคุณเตือนใจ คุณจะสังเกตเห็นนะว่าตอนที่โทรศัพท์มันดังกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกขึ้นมาเนี่ยโอ๊ยเราตื่นเต้นแล้วอืตกใจแล้วก็กังวลด้วยอืเขาจะรู้เขาจะดา่าเราไหมอย่างนี้น ะ, ะพอเขาพูดดีๆกับเรามาปุ๊บเราบอกความจริงได้นะจิตสองอย่างเนี้ยมันคนละอันกันเลยนะถามว่าบาปหรือเปล่าเนี่ยถ้าแค่คิดเนี่ยยังไม่ทำนะเอาก็ดูที่สภาวจิตของเรานะคือดูที่สภาวจิตของเราเป็นหลักนะจิตคุณร้อนไหม จิตคุณมืดไหมถ้าจิตคุณร้อนจิตคุณมืดจิตคุณเป็นกังวลอันนี้เป็นบาปเป็นบาปแต่ถ้าจิตคุณสว่างจิตคุณเบาจิตคุณเย็นอันนี้เป็นบุญนเราเห็นได้ชัดเจนะตอนที่เราคิดว่าเราจะทําผิดน่ะเรายังไม่ได้ทําเลยนะแค่คิดเฉยเฉยเนี่ยนั่นอ่ะเป็นมโนทุจริตแล้วเป็นมโนทุจริตนะถ้าจะจัดอยู่ในมรรคก็คือเป็นมิจฉาสังกปะมิจฉาสังกปะเป็นอะไรเป็นบาปนะสังกปะนี่คือความดาริ มิจฉาก็คือความดันบริที่ผิดอยเช่นเราคิดในทางที่จะพยบาทคิดในทางเบียดเบียนคิดในทางที่เป็นกามในกรณีนี้คือที่คิดในทางเบียดเบียนบิดเบียนใครเบียดเบียนตัวเองทํำไมเบียดเบียนตัวเองอ่ะเพราะถ้าเราพูดโกหกเนี่ยเป็นการเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยคนที่ฟังด้วยเพราะว่าเขาก็จะมีความเข้าใจไปเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นการเบียดเบียนเขาเพราะฉะนั้นคิดแค่มีมิจฉาสังกัปปะเนี่ยเป็นบาปแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดี ทีนี้แค่เราคิดตรงนี้คิดว่าจะโกหกเนี่ยนะกับที่เรายังกับการที่เราโกหกไปแล้วมันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณคิดอยู่บ่บอยๆแต่คุณไม่ได้ทําคิดเฉยๆแต่สุดท้ายก็ทําดีคิดเฉยๆแต่สดุดท้ายก็พูดจรงิงคิดเฉยๆแต่สุดท้ายก็เล่าความจริงไปนะกับเปรียบเทียบกับคิดเฉยๆแล้วทําด้วยคิดแล้วทําด้วยมันจะต่างกันตรงที่ว่าผลของกรรมในการการะทํากันพูดโกหกอยู่เรื่อยเนี่ย ถ้าคุณทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ําๆทําไม่หยุดทําเป็นประจําทําแล้วทําอีกทําแล้วทําเล่าคุณนึ่งเตือนก็ไม่เลิกนําอยู่นี่นั่นแหละอันนี้แน่นอนไปนรกกาเนิดเดชานเปรยวิสัยสบายใจได้เลยฮว่าได้ไปแน่นะไปแน่นอนแต่ถ้าเราคิดแล้วเราเออไม่ทําหรอกคิดแล้วไม่ทำหรอกคิดเฉยๆแต่ไม่ทําหรอกอันนี้คุณยังไม่ไปเพราะอะไรเรายังไม่ได้ทําเจ้าค่ะแต่บาปเหมือนบาปที่เราได้ก็คือตอนที่เราคิดไม่ดีนะเราก็ไม่สบายใจใช่ไหมคะอย่างน้อยเนี่ย นะหว่างก่อนที่จะทําปุ๊บเรามีความละอายอ๋อฉันไม่ทําหรอกเขาพูดสาพูดดีๆกับฉันนะหรือว่าฉันไม่ทําหรอกโอ้มันเป็นความชั่วฉันไม่ทำหรอกฉันทำไม่ลงนั้นนะ่ะยังน้อยคุณยังมีสติสัมปชัญญะมีฮิริโอตะปะหยุดยั้งได้นละ้วมันเบรกเงียบอยู่เบรกแล้มันยังหยุดแต่แต่คนที่มันหนาๆเนี่ยคิดแล้วเบรกไม่หยุดหรือไม่ได้เหยียบเบรกโดยเดดซ้ำไม่รู้ว่าต้องเหยียบเบรกทําต่อไปเลยโดยที่ไม่มีสติสัมปชัญญะในการควบคุมดูแลอืมเจ้าค่ะแต่เพราะนั้นต่างกัน แต่ถามว่าบาปไมมบาปบาปแน่บาปไม่น้อยบาปอะไรก็มันก็มีอะนะเจ้าค่ะก็คือความที่เราไม่สบายใจรู้สึกเราต้องกลัวหกไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่นี้โยมถามนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า่ะเพราะว่าในเอ่อในที่ว่าภาษาทางตะวันตกเขาจะบอกว่า white ลายนะคะเจ้าค่ะก็คือแบบโกหกสีขาวนี่แหละก็คือว่าคล้ายๆโกหกเพื่อให้เขาสบายใจอย่างสมมุตินะเจ้าค่ะว่าเราอาจจะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ว่าเราทราบว่าแพทย์หรืออะไรเงี้ยป่วยเป็นมะเร็งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากบอกความจริงเค้าเพราะว่ากลัวว่าเขาจะหมดหมดกำลังใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็เลยโกหกว่าอาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็นี่เป็นการโกหกเพื่อให้เขาสบายใจนี่อันนี้จะมีผิดบาปไหมเจ้าคะ เอการโกหกเอาเรามาดูที่นิยามก่อนของการโกหกพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเห็นแล้วคุณบอกว่าไม่เห็นหรือว่าได้ยินแล้วบอกไม่ได้ยินหรือรู้แจ้งรู้สึกแต่บอกไม่รู้สึกอย่างเงี้ยได้อแล้วก็รับรู้แต่บอกว่าไม่รับรู้เนี่ยอันนี้เป็นการโกหกหรือว่าไม่ได้เห็นแต่บอกว่าเห็นไม่ได้ไม่ได้ยินแต่บอกว่าได้ยินอย่างเงี้ยนี่เป็นการโกหกทีนี้การโกหกในลักษณะที่ที่พูดอย่างเงี้ยคือคือตรงกันข้ามกับที่เราเห็นที่เรารู้นะ อันนี้โกหกแน่นอนแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดอันนี้ไม่ถือว่าโกหกนะอย่างอย่างเช่นว่าเขาป่วยคนป่วยอย่างเนี้ยเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรแต่บอกถึงวิธีการรักษาว่าเออคุณต้องคอยรักษาตัวอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็พูดเลี่ยงๆไปไม่ได้พูดตรงๆว่าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกจริงๆคุณเป็นมะเร็งอย่างเนี้ยอ่าก็ก็ไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าโกหก คือการบอกความจริงไม่หมดเนี่ยไม่ได้โกหกนะเจ้าค่ะอ่ะอมันก็ อ, อยู่ที่ว่าถ้าเราบอกความจริงทั้งหมดแล้วเขาจะเป็นกังวลใจอันนี้ยิ่งคุณจะลักษณะของการเบียดเบียนเขาด้วยซ้ําอือเจ้าค่ะแต่เราก็ต้องคอยดูบางทีในบางจังหวะบางโอกาสมันยังบอกไม่ได้อ่ะนะก็ต้องรอจังหวะรอโอกาส mm hmm. พระพุทธเจ้าก็ในหลายๆลาวาระก็ทําลักษณะนี้เหมือนกันนะคือเป็นเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกนะนจ้ะที่ตอนนั้นเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยสั่งมือสังหาร นะมานักธนูนักแม่นทนูเนี่ยมารอบสังหารพระพุทธเจ้าอนักสั่งนักแม่นทนูคนหนึ่งนะมารอบสังหารพระพุทธเจ้าสั่งนักแม่นทนูมาอีกสองคนมารอบสังหารนักแม่นทนูคนแรกนะสั่งนักแม่นทนูอีกสี่คนมารอบสังหารนักแม่นทนูสองคนนั้นสั่งนักแม่นทนูมาอีก8คนรอบสังหารนักแม่นทนูอีกสี่คนนั้นเ่งเรียกว่าปิดปากหมดเลยนะจ๊ะไม่มีช่องโหว่ปิดปากหมดเลยใครสั่งไม่รู้แน่นอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะเออปรากฏว่าพอนักแม่นทนูมาคนแรกจากฆ่าพระพุทธเจ้าละ อ้าวพระเจ้าถามอ้าวมาทำอะไรจะฆ่าพระองค์เอางั้นจะฆ่าก็ได้ถ้าไม่ฆ่าฉันก็ตยย่ยดีเอางี้นั่งลงฟังถามก่อนแล้วพระเจ้าก็เลยเทศให้ฟังแล้วประเทศฟังเสร็จปุ๊บมีสมาทิฐิล ะ, ะก็เลยจะเดินกลับไปตามทางที่มาพระเจ้าบอกเ่าเดี๋ยวอย่าเดินไป่างนั้นให้เดินไปทางนีนะ้พอเดินไปทางนี้ปุ๊บก็ไม่รอดละก็รอดละเพราะว่าอีนักแม่นทอสองนักแม่นธนู2คนนั้นดักอยู่ตรงนู้น พอนักแม่นตันดูสองคนที่ถามตามมาเนี่ยเพื่อจะมาค่านักแม่นตนุูคนแรกเนี่ยนะหาไม่เจอแล้วก็เลยเดินตามมาอีกปุ๊บก็มาเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่ย้ายมานั่งอีกที่หนึ่งแล้วนะย้ายมานั่งอีกที่หนึ่งแล้วก็บอกว่ามาถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะเห็นนักแม่นตนุูคนแรกไหมพุทธเจ้าบอกว่าเอ๊ะตั้งแต่มานั่งตรงเนี้ยยังไม่เห็นใครเลยอืมใช่ค่ะอ้าวเธอจะไปไหนโอ้จะไปละหาใครไม่เจอกันก็เลยก็เลยพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวก่อนฟังทางนิดนึงเนก็เลยแสดงทําให้ฟังสองคนนั้นนก็็เเลยห เห็นแจ้งละ ม, มสีสมาธิฏฐิแล้วก็เลยจะเดินกลับไปตามทางที่มาพระเจ้าก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งแปลงนั้นให้ไปทางนี้นะอพระเจ้ า, าก็เลยย้ายมานั่งอีกที่หนึ่งไอส้สคนนั้นที่คอยดักฆ่าสองคนนี้อยู่เนี่ยเอ๊กก็ไม่เห็นหมาสก็เลยเดินตามทางมาก็มาเจอพระเจ้านะพระเจ้าก็เลยเรียกให้มาฟังธรรมฟังธรรมเสร็จปุ๊บมีสมาธิฏฐิแล้วจะเดินกลับไปตามทางเดิมพระเจ้าบอกไอ้ไปทางนูน้นนะก็ย้ายกลับมาคือพระเจ้าลักษณะที่ว่าตั้งแต่มานั่งตรงเนี้ยยังไม่เจอใครเดินมาเลยก็ไม่ได้เป็นการโกหนะะะจค่่อา ไม่ได้เป็นการปลงย้ายที่มาใช่แต่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดว่างั้นเจ้าค่ะประโยชน์ประสงค์อะไรประสงค์อะไรนั้นประสงค์มักผล่ถูกไหมเจ้าคะประสงค์มักผลเพื่อจะเกิดในจิตของนักฆ่าเหล่านั้นเจ้าค่ะเพราะว่าพอฟังแล้วมีสมาธิิตปุ๊บเขาเป็นโสดาบันนะโอ้โหนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้าผมว่าเราไล่เขาไปหรือว่าเราแกล้งไม่รู้ไม่ได้ฟังธรรมเขาว่าเสียโอกาสแต่เพราะฉะนั้นในในกรณีเนี้ยถ้าจุดประสงค์ที่เราต้องการที่จะหวังมักผลนิพพานอย่างเงี้ยมันก็ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะอย่าง <Okay. S 1> บางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปช่วยพยาบาลโรงพยาบาลภิกษุเนี่ยนะในสมัยก่อนก็มี <Okay. S 1> เออก็เป็นลักษณะว่าพอพระพุทธเจ้าไปถึงปุ๊บก็เลยมาประกาศให้ฟังว่าภิกษุที่กําลังนอนป่วยอยู่เนี่ยให้มามีสติดในลมหายใจรอคอยความตายนั่นนี่ก็เป็นนัยยะที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าอาศัยความตายที่จะเกิดขึ้นกับภิกษุนั้นเนี่ยในการที่จะเขาให้ได้เห็นธรรมะหรื อ, อ, อในขณะเดียวกันแล้วก็ภิกษุป่วยไข้ก็ไปเช็ดตัวพยาบาลใหนะ้เพื่อที่จะให้ คนอื่นเห็นเพื่อที่จะได้เกิดธรรมะก็มีเนอะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าพูดถึงประเด็นที่คุณเตือนใจบอกว่าไวท์ไลน์นะคือการโกรหกสีขาวเนี่ ย, ย อ, อย่างนี้ได้กโกหกสีขาวไหมอย่างที่พระเจ้าทำเนี่ยคุณเตือนใจว่าไม่ใช่ <c oughs> ก็ไม่ใช่นะก็คือว่าเป็นลักษณะว่าไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดก็ไม่ใช่การโกรหกอยู่ดีน ะ, ะ, ะแต่ว่าเราก็ต้องคอยพิจารณาดูตามเหตุการณ์ อืมเจ้าค่ะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านจะต้องพิจารณาดูเราสามารถหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่พูดโกหกได้แต่ว่าพูดอะไรก็ได้ที่ที่เป็นความจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ความจริงทั้งหมดใช่ไหมเจ้าค่ะอื ม, อมเจ้าค่ะก็ข้อที่สองที่ ค, คุณพรพันถามมานะเจ้าค่ะบอกว่ากลาบนรมาสกา ร, รมีคำถามคือทุกอุปทานหมายถึงอะไรเจ้าค่ะก็นิมนต์พระอาจารย์จีแจงเลยเจ้าค่ะอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่น อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นทุกก็คือความทุกนั่นคือสภาพที่ไม่มีความแน่นอนนะนะเพราะฉะนั้นทุกกับอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความทุกเอาทุกแล้วเราไปถือทําไมคุณตื่ใจว่าบางคนก็ตัดไม่ได้นะเจ้าคะ่ะจะคิดวนเวียนย้ำๆซ้าๆอยู่นะเจ้าคะ <S <S 2> <S 2> ด้วยอํานาจของตัณหาไงอ๋อเจ้าคะเพราะมีตัณหาจึงมีอุปปาทานความยึดถือตัณหาเนี่ยมันสิงอยู่ พอเราทําให้เราต้องไปคิดอยู่เรื่อยยึดถือมันอยู่เรื่อยอันนี้เป็นทุกข์ทางที่มันเป็นทุกข์เนี่ยแล้วเราเจ็บช้าน้ําใจไอ้หมอนี่มันคิดทีไรปวดใจทุกทีมันก็ยังคิดอยู่นั่นนะ <une> แหละก็เพราะว่าอํานาจของอุปท า, า น, นอุปทานคือความยึดถือทําให้เรามันติดหนึบติดหนึบอยู่เ น, นี่ยติดหนึบอยู่ในสังสารวัตออกไปไหนไม่ได้ทีก็เพราะว่าเจ้าอุปทานนี้นั่นเองนะแล้วมันไม่ได้ยึดอะไร <rible> ที่มันจะเป็นประโยชน์ดีมีสาระเลยนะคุณใจสิ่งที่มันยึดนี่มีแต่ความทุกข์ความทุกข์แล้วก็ความทุกข นะเช่นอะไรบ้างในเะช่นร่างกายนี้อา่าเช่นรูปขันต่างๆรูปขันนะัวกวิชาชีพพูดถึงความยึดถื อ, น, อนี่นะความยึดถือเนี่ยอุปทานนี่นะไม่มีในอะไรนอกจากขันต่งางๆมีอะไรบ้างรูปรูปมีอะไรรถยนต์บ้านกายของเราในะยึดถือแล้วก็จะเป็นทุกข์คือคือยึดถือนี่มันจะแตกต่างกับการที่คุณไม่สนใจนะคือบางคนเนี่ยไม่ยึดถือก็จริงแต่มีความสนใจในการที่จะจัดการให้มันดีให้มันถูกต้องนะอันนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่ควรทานะ แต่ถ้าไม่ยึดถือแล้วจะบอกว่าตัวเองไม่สนใจนะแล้วก็มามาพูดว่าเออฉันไม่สนใจหรอกเพราะฉันไม่มีความยึดถือแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องนะคือหมายความว่าบางคนไม่ล้างจานไม่ทําความสะอาดบ้านตัวเองไม่รู้จักแปรงฟันรักษาความสะอาดเขาบอกว่าอะไรฉันปล่อยวางหมดแล้วฉันไม่ยึดถืออะไรเลยอันนี้คนละเรื่องกันนะชคนคนละเรื่องกันเอ่อบางคนมีความคิดอย่างนี้โอ้แปรงฟันเหรอไม่แปรงหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินอีกอยู่ดีแต่วันนี้ไม่ต้องแปรงโอันนี้กินไม่ถูกนะ ก็จะไหมคือมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสุดตรงสองข้างที่คนก็จะไหลไปได้อยู่ดีคือหมายความว่าความยึดถือเนี่ยคือคือสิ่งที่มันจะมากวนใจมันอยู่ในจิตของเรานะมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปกังวลเข้าไปมีความหนึบความที่ก็พัวพันเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเจ้าค่ะอย่างกรณีที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยคนบอกว่าที่บอกว่า เพราะฉันไม่ได้ทําความสะอาดร่างกายไม่ได้ทาความสะอาดบ้านเนี่ยเพราะฉันละวางหมดแล้วแต่จริงๆเนี่ยคุณไปยึดถือในความขี้เกียจเห็นไหมถ้าเราไปยึดถือในความขี้เกียจปุ๊บไองานการต่างๆแล้วก็ละทิ้งละวางแล้วก็มาบอกว่าตัวเองปล่อยวางหมดแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองยังมีอุปทานความยึดถือในสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่อันนี้ไม่ถูกต้องอืมเจ้าค่ะอ่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำบาปให้คนอื่นด้วยเจ้าค่ะเป็นภาระเป็นภาระใช่เจ้าค่ะเพราะนั้นเวลาที่เราจะจะดูเนี่ยเราต้องดูที่จิต คําสอนพระเจ้าเนี่ยจึงไม่ได้ให้ดูภายนอกว่าเอ๊ะเขาทํางานทํากิจไหมหรือว่าไม่ทําบางคนขยันทํางานแต่ความยึดถือก็ยังมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราต้องดูในจิตคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันเน้นที่จิต <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่คือคำถามคุณปานปาอ๋อประเด็นหนึ่งคือเรื่องของความทุกข์เจ้าค่ะทุกอุปทานหมาย <c oughs> ถึงอะไรเจ้าค <c oughs> ่ะความทุกข์เนี่ยก็คือสภาพอที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้น่ะสภาพที่มีความไม่แน่ไม่นอน สภาพนี้มีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยผูา้าบอกคือสภาพทุกข์นะเช่นความความอย่างเช่นอะไรเอาของที่เราเห็นง่ายๆปากกานะคอมพิวเตอร์นี่เปลี่ยนมาเครื่องที่เท่าไหร่แล้วตั้งแต่ทำงานมานะ <ๆ S 1> เปลี่ยนมา <ๆ S 1> ต้อง3าสี่เครื่องแล้วอย่างนี้เป็นต้นแตนะ่มันก็มีความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นมีความสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้หรือว่าตัวของเรานะสองหน้าดูเมื่อสิปีที่แล้วเอารูปเก่เามาดูกับตอนนี้โอ้โหมันคนละเรื่องกันเลย และนี่คือสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้แสดงว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์รหรือแม้แต่สุขเวทนาคุณเตือนใจความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะอะไร <ments. S 1> เพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ไงเจ้าค่ะถ้าเรามาดูที่ความหมายนะนิยามของความทุกข์เนี่ยคือสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้มีการเปลี่ยนแปลงไปได้อะนะเพราะฉะนั้นสุขเวทนาเนี่ยก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เจ้ค่ะทีนี้ถ้าเรายึดถือในสุขเวตนา นี้คุณจะเป็นทุกข์ละนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้คุณจะจีดแตนะ่ถ้าคุณได้มันมาแล้วคุณจะเสียมันไปคุณก็จะจีดอีกพระเดชพระเจ้าจึงให้ปล่อยวางนะปล่อยวางทั้งปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางความทุกข์ทั้งหมดแหละทั้งความสุขสุขกับเบทนาทั้งทุกข์กับเบทนาทั้งความยึดถือในต่างๆเนี่ยพอเราปล่อยวางปุ๊บเราจะสบายใจนะเราจะเหมือนที่เราวางของหนักเนี่ยนะเราถือของมันหนักๆถืออย่างอย่างตอนแรกๆเนี่ย ตั้งแต่เราเกิดมาใหม่ๆเนี่ย น, นะคุณตนใจพอจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆมาไม่มีสัมภาระอะไรมากพอมาเริ่มทํางานแต่งงานแล้วก็จะมีลูกคนหนึ่งมีผัวคนหนึ่งนะมีลูกหลายคนก็แบกภาระเพิ่มขึ้นมานะมีงาน<ช>เลื่อนตําแหน่งขึ้นเดี๋ยวก็ฝ่ายนู่นฝ่ายนี้แบกที่ไรแบกที่บาทุนหัวแล้วก็ยังหนักอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากรเกษียณปุ๊บเราปลดภาระพวกนี้ออกหมดเลยนะหรือว่าถ้าเราลักษณะการวางเนี่ยการปล่อยวางไม่ให้มีการยึดถือนี่คือการวางของหนักนั่นเองนะเราจะรู้<ช><ๆ>สึกเบา นะถ้าเราจะไปจ้องหาของเบามาถือเนี่ยมันไม่มนะีแต่ให้คุณเอาของเบาๆมาถือนะอย่างโลหะบางชนิดเบากว่าโลหะชนิดนี้คุณก็เปลี่ยนจากเหล็กไปเป็นอลูมิเนียมเบาหน่อยมีความแข็งแรงเท่ากันอยย่างี้แต่มันก็ยัง ม, มันไม่มีของที่เบาคุณจินใจถ้าคุณเอาของเบา <au S 2> มาถือมันก็หนักอยู่ดีค่นะมันมีน้ําหนักทุกอย่างคุณ<ช>คะเพราะฉะนั้นสิ่งถ้าเราต้องการความเบาคือคุณต้องวางเท่านั้นเองคุณจะถือแล้วให้มีความเบาไม่ได้มันตรงกันข้ามกัน อต้องว่างต้องว่างว่างนี่คืออะไรก็คือละอุปาทานนั่นเองจะละอุปาทานได้ต้องทํายังไงคุณเตือใจว่าก็อันนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านรอฟังพระอาจารย์แนะนําอยู่เจ้ค่ะฟังมาแล้วฟังมาแล้วนี่คุยกับคุณือใจไปแล้วในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่บอกว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของอุปาทานอืมเจ้าค่ะนั่นคือตันหานะตันหาเป็นเหตุเกิดของอุปาทานเพราะมีตันหาจึงมีอุปาทาน เพรถ้าเราจะละอุปทานได้คือปล่อยวางได้นั่นเองคุณต้องละตัณหาตัณหานั่ยเองตัณหาคือความอยากนะความอยากความอยากในการความอยากในมีอยากเป็นความอยากที่จะไม่มีไม่เป็นเจ้าคะ่นะแต่ถ้าเราละตัณหาได้นะอันนี้แหละคือเราจะทำํำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทุกข์ก็จะไม่มากวนใจเราเจ้าคะ่นะเพราะว่าทุกข์เนี่ยมันติดกับใจของเราเนี่ยเพราะกาวกาวนี้คือตัณหาอุปทานนั่นเองอืมเจ้าคะ่ะ กาวที่มันจะมาเชื่อมให้ใจของเราเนี่ยมาหนักในความทุกข์เนี่ยนะคือตัณหาและอุปาทานถ้าเราคุณเอากาวนี้ออกไปได้ปาดยางเหนียวนิ้งไปได้ปาดยางยืดนี้ออกด้วยการเผามันด้วยการตัดมันทิง้ง น, น, นั่นคือจิตของคุณก็จะไม่มีความทุกข์ไม่ติดกับความทุกข์นั้นอาการที่อรามาบอกว่าปาดทิง้งเผามันทิ้งเนี่ยก็คือการใช้ตะบะตะบะก็คือการทําำนะเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าปัญญานี่คือมีดคมตัดทิง้ง นัตบะนี่คือหมายถึงอระยมามโยงแปดเพื่อที่จะเผาไอ้เจ้าตาหานี่ให้แห้งไป <Okay. S 1> คุณเตนใจเคยรู้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีกระบวนการที่ใช้แสงเข้าไปในมเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ย<ช>เพื่อให้มเมล็ดพันธุ์พืชนี่มันโตอีกไม่ได้นะอืเพื่อที่จะให้เนื้อในใจกลางของมเมล็ดมันเนี่ยไอ้ยางตรงนี้มันตายไปแตนะ่ตรงนี้แหละยางตรงนี้ที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยนี่คือตันหาที่จะพาให้เราไปติดหนึบติดแน่นติดโน่นในสิ่งต่างๆที่จะไม่เรามามีความหนักความทุกข์เกิดขึ้นได้ อืมเจ้าค่ะอยู่ตรงนี้เองนะเจ้าค่ะ<ช>ถ้าเราตัดได้หรือวางได้จริงๆเนี่ยก็จะทําให้อ่าเราไม่มีทุกคือแบบว่าว่างสบายจริงๆอย่างที่เป็นพระอรหันต์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้า<ช>ค่ะปล่อยวางได้อืมเจ้าค่ะเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าจะพูดถึงอุปทานคือเราต้องละอุปทานจะละอุปทานได้คุณต้องละตัณหาจะละตัณหาได้คุณต้องตามตามตา ม, มาร์กแปด นะทำตามอริมักมีองแปดนะเจ้าคะถ้าคุณตามตามมักแปดแล้วตัณหาคุณจะละได้เพราะละตัณหาได้ไอ้กาวยางเหนียวที่ทําให้จิตเราไปติดกับความทุกข์ก็หมดไปหมดไปแล้วเราก็ไม่ทุกข์เราก็ปล่อยวางได้เราก็สบายอืมเจ้าค่ะก็เบาสบายนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะ เวลาในรายการมีเหลืออยู่ประมาณสัก8นาทีเจ้าค่ะวันนี้ทราบว่าพระอาจารย์จะเมตานําเรื่องอ่าเล่ามาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมเจ้าค่ะมีมนเลยเจ้าค่ะก่อนที่จะไปเล่าเรื่องนี้จะมีข้อที่แก้ไขนิดหนึ่งมีตอนหนึ่งจะมาฟังย้อนๆดูที่เราได้พูดถึงพุชธชยันตีเจ้าค่ว่าคําว่าชยันตีเนี่ยคือแปลว่า2600ัจริงๆแล้วมันไม่ถูกนะจริงๆชยันตีก็คือหมายถึงชัยชนะนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเป็น 2,600 ไม่ใช่อย่างนั้น ก็ขอแก้ความผิดในที่นี้ด้วยโจค่ะก็เรียกว่าชยันตีก็คือชัยชน ะ, ช น, ะนะคะที่ที่พระพุทธองค์ได้ชนะอทั้งหลายใช่เรื่องที่ชนะเรื่องหนึ่งในบร ร, า ร, รดาพระอรหนหรือว่าพุชานชนะเนี่ยก็คือชนะความกลัวโจค่ะชนะความกลัวอย่างเวลาที่พุชาเคยบอกว่าเวลาที่พระองค์ไปอยู่ในป่าที่เงียบสงัดเป็นที่น่ากลัวเนี่ยนะป่าเหมือนป่าพิสิงอะไรเงี้ยนะมีที่น่ากลัวเนี่ย ถ้าใครยังมีราคาโทสะอยู่เนี่ยเขาไปแล้วจะขนลุกขนพองสยองกล้าวอย่างเงี้ยเ <Okay. S 2> อ่อถ้าไปในลักษณะ น, นี้เนี่ยเจอความกลัวเกิดขึ้นเนี่ ย, เ, ยเราจะจัดการกับความกลัวยังไงนะ <Okay. S 2> พระองค์ก็สามารถจัดการกับความกลัวตรงนี้ได้แล้วก็ทําให้อ่าเป็นจิตที่ไม่มีความกลัวมีชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสตรงนี้พอ <okay. S 2> เราพูดถึงชัยชนะถึงความกลัวเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของอผีถ้า <Okay. S 2> กลัวเนี่ยนะ กลัวจริงๆเรื่องความกลัวเนี่ยเราจะพูดได้ตอนหนึ่งใหญ่ๆไปตอนหนึ่งเลยแต่ว่าวันนี้จะอธิบายเรื่องของผีมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เขียนมาในเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะเว็บไซต์อะนะได้พูดถึงประเด็นของความกลัวที่เอามาได้เปิดประเด็นขึ้นมาในหน้าเว็บไซต์แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของผีเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของผีสันิดหนึ่งเจ้ค่ะผีผีเนี่ยนะพอพึ่งสาเลีเนี่ยนะเป็นชื่อที่เราเราเรียกเรียกกันแสดงถึง ไม่รู้ว่าคุณเตือนใจเคยเคยเห็นไหมพี่อ่ะเคยคเห็นเคยอย่างนี้เจ้าค่ะตอนที่คุณพ่อโยมเสียเจ้าค่ะตอนนั้นโยมเก้าขวบอ๋อ ะ, ะเจ้าค่ะแล้วก็จะเห็นคุณพ่อเ น, นี่ยมาแบบลืมตามาก็เห็นอย่างนี้เจ้าค่ ะ, ะแต่ว่าจะเป็นเหมือนพ่อเราใจดีมายืนยิ้มอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะแต่โยมตอนนั้นจิตก็รู้ว่าเป็นพ่อแล้วก็ก็กลัวเจ้าค่ะถึงรักก็กลัวอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ เด้๋วค่ะนั่นคือประสบการณ์แต่แต่นั่นเป็นพ่อนะไม่ใช่ผีเนี่ยเหร ใช่เจ้าค่ะแต่ว่าหมายถึงจิตเรารู้ว่าแบบเหมือนกับพ่อได้ได้จากไปแล้วไงเจ้าค่ะไปอีกโลกหนึ่งดังนั้นเราก็คิดว่าพอคนไปอีกโลกหนึ่งเนี้ยก็เป็นวิญญาณและเป็นผีแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เพียงแต่เราไม่ได้เรียกพ่อว่าเราว่าเป็นผีเจ้าค่ะแต่รู้แต่ว่าพ่อมาอย่างเง<อ>ี้ยเจ้าค่ะโดยโดยส่วนตัวขเขาจะมาเองนะขอแบ่งปันประสบการณ์คือเราเราก็เห็นผีในตามทีวีเท่านั้นเองที่เขาทําเรื่องหนังผีเท่านั้นจริงเราไม่เคยเห็นเลยตามหนังผีเป็นปอบเป็นอะไรพวกนี้เท่านั้นเองอะนะ จริงๆผีถ้าเขาแปลแปลกันในพระไตรปกเนี่ยเขาก็แปลว่าอามนุษย์นะพระเจ้าใช้คําว่าอามนุษย์แล้วก็แปลว่าผีไม่ใช่มนุษย์นะเจ้าค่ะไม่ใช่มนุษย์แล้วก็แปลว่าผีทีนี้อามนุษย์เนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะถ้าเราจะพูดถึงอามนุษย์เนี่ยเาก่อนที่จะไปประเด็นถึงอามนุษย์เนี่ยต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่นอกจากมนุษย์เนี่ยคุณตระใจว่ามีไหมมีเจ้าค่ะแน่นอนเป็นสุนัขบ้างหรือมาอพวกสัตว์ปีกบ้างต่างๆสัตว์เดรัจฉานน นะหรือ<ช>สัตว์ต่าง ๆ, ๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นเซลจูเินซีอะไรพวกนี้ก็เป็นสัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถูกไหมเรายังมีพวกประเภทที่อยู่ในทะเลอื่นๆอีกที่เรายังไม่รู้จักตั้งเยอะแยะเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่นอกจากมนุษย์เนี่ยมีแน่นอนนะเพราะนั้นพวกนั้นก็ต้องเรียกว่าอามนุษย์ทั้งหมดอามนุษย์ในความหมายของพระเจ้าเนี่ยก็ยังรวมถึงพวกเทวดาพวกสัตว์นรกพวกนี้ก็เป็นอาหมนุษย์ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคําว่าผีคืออามนุษย์เนี่ยม ที่ไม่ใช่ประเภทมนุษย์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตอื่นที่เรายังไม่รู้นะคือเรื่องนี้มีในสมัยบุทกาลที่ว่าพุทธ่านพระหมหาโมคลานะเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากใช่ไหม <Okay. S 1> ก็เลยไปเห็นเปรตประเภ ท, เทหนึ่ง <Okay. S 1> เห็นตัวที่เป็นลักษณะเนี้ยอธิบายพระเจ้าฟังพระเจ้าก็บอกว่าเออโอ้ยดีแล้วสาธุมหาโมคลานะคือเราก็เห็นไอ้เจ้าตัวนี้มาก่อนเหมือนกันแต่เราไม่เคย <Okay. S 1> พูดให้ใครฟังเพราะว่า okay. ไม่มีใครมายืนยันในคําพูดของเราดีแล้ว ถ, ถ้าเธอมายืนยันในคําพูดของเราเนี่ยเราจะอธิบายให้ฟั ง, ง ค, คือท่านพระมหาโมคลานะเห็นเฉยๆว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวอะไรแต่ญาณของพระพุทธเาเนี่ยลึกซึ้งกว่าตรงที่ว่ารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทําบุปรกรรมอะไรมาถึงมาเป็นแบบนี้เขามีอาหายประเภทอะไรมีเวลากินเวลานอนเท่าไหร่มีความเป็นอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงตายแล้วเขจะไปไหนแล้วเขาจะมีอายุเท่าไหร่พวกนี้มเจ้าค่ะนะรายละเอียดต่างๆพวกเนี้พระพุทธเจ้ารู้หมด แต่ไม่มาเล่าให้ฟังจนกระทั่งพระมหาโมคลานะเนี่ยมายืนยันความมีอยู่เป็นอยู่ของสัตว์ประเภทนั้นได้ใช่คนะ่ะเพราะนั้นสัตว์อื่นๆอีกนะพูดถึงเทวดานะมหาโมคลานะมาเล่าให้พระเาฟังพระเาอธิบายเลยทําไมมาเป็นอย่างนี้มีอายุเท่าไหร่กินอะไรมีพ่อแม่อะไรยังไงนะทุกขัน้นสัตว์นรกทุกอย่างพระเจ้าอธิบายหมดนะสังสารวัตทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่เปรตอประเภทไหนประเภทไหนก็แบ่งออกให้หมดนะเพราะมีคนยืนยันในในการมีอยู่เป็นอยู่ของสัตว์ประเภทนั้น นะอย่างถ้าเรามาพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยคุณต้นใจร0อปี200รอปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะหาว่าเราเป็นบา้าสัตว์ไม่อะไรตัวเล็กๆไม่มีเพราะมันยังไม่มีกองจุลธศน์ที่จะมายืนยันว่ามันมีจริงๆเจ้าค่ะเ ะ, ะนั้นถ้าเราพูดถึงผีในความหมายของอความสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะคนส่วนใหญ่จะใช้ผีอย่างผู้ที่มาปริบัติที่วัดป่าดาวหิโสกมี นะคแค่กบเนี่ยมันกระโดดอยู่ในความมืดดึงดึงดึแล้วมันก็ทําเสียงต้นไม้กอบแก็บกอบแก็บเนี่ยเขาก็ ค, คิดว่าเป็นผีแต่พอเขามาดูจริงๆรอ้าวมันรังกบมันอยู่ห่งนี้แล้วมันกระโดดปุ๊บลองเดินดูเหยียบดูอ้าวมันเหมือนผีจริงๆเลยมันเสียงเหมือนกันอุยเรานีงงจริงจเห็นกบเป็นผีอย่างเงี้ยเขาก็ไล่ฝั่งอย่างนี้ก็คือผีเนี่ยเป็นตัวแทนของความกลัวหรือที่เราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเราก็เรียกว่าผี นะแต่ถ้าเราพูดถึงจริงๆสรปรสัตย์อื่นๆที่นอกจากมนุษย์มีแน่นอนเจ้าคะนะมีแน่นอนอทีนี้การมีอยู่เป็นอยู่ของเขาก็เป็นไปตามระบบของเขาที่มีที่เป็นนะทีนี้ก็ต้องมีผู้ที่เคยถามอีกว่าเอ๊ะแล้วอย่างผีหลอกเงี้ยหรือผีมาทําอันตรายเราผีบีบคอรเราอย่างเงี้ยมีไหมอีผีมาอำอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้อเออโเจ้าค่ะ ตอนเด็กๆโดนบ่อยมากเลยเจ้าค่ะแน่นอนอันนี้เราเอาแค่ว่าเราไม่ต้องจา ก, กอะไรเจ้าค่ะเอ อ, เ, อ, อเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าเอาผีหรือว่าสิ่งมีชีวิตในภพอื่นๆเอาแค่มนุษย์ด้วยกันเองเอาแค่มนุษย์ด้วยกันเองยังมีการเบียดเบียนกันนะด่ากันว่ากันแกล้งกันเอาอนี่มาวางกับดักเราเอาทําขายเราสะดุดล้มอย่างนี้ก็มีนะเพราะมนุษย์เองมันยังแกล้งกันเองดังนั้นสัตว์ต่างๆเนี่ยมีการเบียดเบียนกันแน่นอน นะคนไปแกล้งหมาก็มีหมามากัดคนก็มีแต่เพราะนั้นอะนะนะมนุษย์เนี่ยมันทำไมมันจะมาทํำลายมนุษย์ไม่ได้ทําได้แน่นอนนะเทวดายังเบียดเบียนกันเลยอย่างในภพ <c oughs> ของดาวพฤหงอย่างเงี้ยมี<ช>การแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายอสูรกับฝ่ายเทพนะตีการอะไรการกันก็มีนะเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนกันมีแน่ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าถ้าใครจะมาเบียดเบียนเราเนี่ย เ, เราจะพ้นจากตรงนั้นได้อย่างไรนี่ เราต้องแผแ่เมตตาให้นะจ๊ะถูกต้องพรรุจาบอกว่าเมตตาเนี่ยจะทําให้เป็นที่รักของอาบมนุษย์นะจะทําให้ศัตรา hmm. อาวุธต่างๆเนี่ยไม่มาทําร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงผีคือความกลัวแตความกลัวของสิ่งที่เราไม่รู้อันนี้มีแน่ถ้าเราพูดถึงผีคืออามนุษย์ที่เป็นอยู่มีอยู่อั น, นนี้มีแน่แต่ถ้าเราพูดถึงความที่จะทำยังไงถึงจะรอดพ้นจากอันตรายตรงนี้เราต้องมีเมตตานะเมตตาเนี่ยจะทำให้เราพ้นจากอันตรายต่างๆเหล่านี้ได้อเจ้าค่ะเจ้าค่ะ อ๋อไม่น่าคุณแม่โยมจะบอกว่าไปที่ไหนก็จะต้องไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะขอเจ้าที่เจ้าทางว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้บอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ก็จะทําให้เราไม่ไม่โดนผีอำเราจะไม่กลัวผีมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็จะไม่เบียดเบียนเราเจ้าค่ะคือคือขั้นที่เขารักเราเนี่ยไม่ได้หมายว่าเขาจะมาหาเรานะแต่หมายก็ว่าจะไม่มีการเบียดเบียนกันนะะเจ้าค่ะเอก็คืออยู่กันคนละภพไปใช่ใช่เจ้าค่ะ พระนั้น <c oughs> ในเรื่องของผีที่พูดถึงประเด็นที่ว่าผีคือความกลัวมีนะถ้าจิตคุณยังไม่ไปปราศจากการรักข้าต่อสามโมหะ <c oughs> คุณยังมีความกลัวอยู่ถ้าพูดถึงผีในลักษณะของปุบปุมต่างๆนี่มีแน่นอนนะ <c oughs> แต่ถ้าพูดถึง <c oughs> ผีเรื่องความกลัวเนี่ยเราต้องละออกเราจะแก้ได้จัด ก, การได้นะเราก็ <c oughs> การเบียดเบียนกันเราจะแก้ไขด้วยการที่มีเมตตา ลักษณะนี้สรุสไปไว้อย่างนี้นสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็ได้รับฟังเรื่องราวที่คิดว่าเป็นธรรมะขององค์พระสัมรรมาสัมพุทธเจ้าที่ปรับใช้กับชีวิตประจําวันเราอย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะจากการตอบปัญหาของพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโพระอาจารย์ของเราค่ะให้กับคุณพรพันธ์แล้วก็มีเสริมกันด้วยเรื่องของความกลัวคือผีด้วยนะคะีค่ะก็คิดว่าคงจะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นเข้าใจประเด็นนี้กันดีแล้วนะคะค่ะหมดเวลาจริงๆค่ะในเช้าวันนี้เราคงจะต้องรินเชิญท่านผู้ฟังกลับมาพบกัน ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนพระอาจารย์แห่งวัดป่าดอนไหสุกตําบลดอนไหสุกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเคยคะ่ะมีพระเดชพระกุลหลวงพอ่อดเสะอาดที่ทมพโสหรือท่านพระกุลสิทธิอ่าประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะเรามากราบน้ำมการขอบพระคุณและกราบน้ำสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนพร้อมกันนะคะกราบน้ำมการขอพระคุณอย่างสูงเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเช่นพ า, านสาธุเจ้าคะ่ะ